ขอความสุขความเจริญจงมีในท่านผู้ฟังทั้งหลายวันนี้จะได้พูดถึงวิมานวัตถุคือเรื่องของวิมาน เ, เพื่อนำท่านไปศึกษาถึงผลแห่งบุญกุศลที่บุคคลกระทำไว้แล้วก็ทำให้ได้บังเกิดในวิมานที่ท่านแสดงไว้ในวิมานวัตถุในเรื่องเหล่านั้นจะบอกถึงวิมานเป็นชุดๆไป ได้จะกล่าวถึงเรื่องหลักสำคัญสาคัญไม่ได้ให้รายละเอียดถึงความเป็นมาคือเบื้องหลังของการได้บรรลุหรือชีวประวัติของเจ้าของวิมานโดยละเอียดคนที่ไปพบเห็นวิมานหรือเกิดเรื่องวิมานนั้นเมื่อกล่าวโดยสรุปคนที่ไปพบเห็นมามากแล้วนำมากราบทูลพระพุทธเจ้า พระเจ้าก็นำเรื่องนั้นมาเล่าให้ภิกษุทั้งหลายฟังโดยเพิ่มเติมบุญบารมีของบุคคลเหล่านั้นเข้าไปโดยพระยานที่สรงรู้ท่านเหล่านี้ที่พบมากที่สุดก็คือพระโมคคัลลานะเทระซึ่งมักจะเที่ยวไปในสุขติทุกติอาศัยเรื่องราวเหตุการณ์ในที่นั้นๆก็นำมาประกอบในการอบรมสั่งสอนประชาชน ดังนั้นถ้าเรามองผลงานของพระริยสาวกในสมัยพุทธกาลแล้วยกเว้นพระพุทธเจ้าก็เห็นจะเป็นพระโมคคลานะคือนำคนเข้าสู่สาศาสนาได้มากที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือคนระดับพื้นๆทั่วๆไปในชั้นของการละบาปบำเพ็ญบุญพระเทระองค์ต่อมาก็คือพระควัมปติแล้วก็มีอยู่จำนวนน้อย อีประการหนึ่งนั้น <c oughs> เป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเองการแสดงเองนั้นสืบเนื่องมาจากเทพพระพธูตเทพธิดาเจ้าของวิมานนั่นเองที่หลังจากได้กระทาบุญบำเพ็ญความดีแล้วลบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์ตรวจสอบถึงการได้มาซึ่งที่ประสมบัติของตนแล้วก็รู้ว่าได้มาเพราะอะไรก็เข้ามาเฝ้าพระพุทธเจ้า อีกประการหนึ่งเป็นเรื่องของท้าสกเทวราชจอมเทพเองที่ตเกิดข้องใจสงสัยในบุญกุศลของเทพบุตรเทพธิดาบางองค์ก็จะมากราบทูลถามพระพุทธเจ้าเพราะการปัญหาเรื่องวิมานจึงเป็นปัญหาประสบการณ์ตรงทั้งหมดเลยคือพระอราหันต์เทพบุตรเทพธทพทิดาแล้วท้าสกเทวราชกับพระพุทธเจ้า ประหะรหล่านั้นท่านก็ปรากฏคือประสบการณ์ด้วยตาธรรมดาของท่านเองพระพุทธเจ้านั้นทรงรู้เห็นด้วยที่ปจักษสุและจักษุสามัญเทพบุตรเทพดาเยเทพบุตรเทธิดาก็ประจักษ์แก่ตัวของท่านเพราะฉะนั้นจึงเป็นที่น่าสังเกตว่าที่ตั้งของวิมานไม่ได้บอกไว้อยู่ที่ไหนก็ไม่ถูก แต่ก็แสดงหลักฐานถึงความห่างไกลกันของสวรรค์แต่และชั้นนะรเริ่มจากสวรรค์ชั้นจาตุมาราาที่ห่างจากดาวดึงก็สี่แสนกว่าโยน์สี่หมื่นกว่าโยต์พอมาสวรรค์ชั้นปรานิมิตที่สวาห่างจากนิมิตคือชั้นที่ห้ากับชั้นที่หกนี่ก็ห่างกัน ร, ร่วมสองล้านโยต์ นี่ก็เป็นการแสดงให้เห็นว่าวิมานนั้นคือประโลกโกได้แก่โลกอื่นไม่ใช่โลกมนุษย์นอกจากว่าเทพประบุเทพธิดาบางประเภทที่เรียกว่ารุกเทวดาภูมเทวดาอากาสเทวดาเป็นเทวดาที่อยู่ในโลกมนุษย์แต่ก็อยู่ในมิติหนึ่ง เรื่องวิมานจึงเป็นเรื่องที่สอบถามเฉพาะบุญที่เป็นเหตุให้เกิดวิมานให้บังเกิดในวิมานและการพันนาถึงความสวยงามของวิมานที่วิจิตพิสดารตลอดถึงรูปร่างบริวารของเจ้าของวิมานแต่ไม่ให้รายละเอียดในประวัติภูมิหลังอะไรเพราะเจาะเฉพาะเรื่องเดียวคือเรื่องบุญกุศลกับความเป็นอยู่ในวิมานเหล่านั้น าารพระหันผู้รู้เห็นเรื่องนี้ไปประสบด้วยตัวเองแล้วจะนำมากราบทูลพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็จะอธิบายชี้แจงแก่ประชาชนอีกต่อนหนึ่งแล้วพระสังคีติกาจารย์ก็จะท่งนำมาสู่สังขานานี่ก็คือความเป็นมาของวิมานในแนวนี้ก็เรียกวิมานวัตถุคือเรื่องของวิมาน เ, เฉพาะหมวดแรกที่จะเล่าในวันนี้เรียกว่าปิตวรคหรือปิตวิมาน คือการจัดแนวพระใจบิดกนั้นได้โปรดเข้าใจอีกแนหนึ่งว่ า, าท่านเรียกเป็นวักวักวักก็ไม่ได้มีเรื่องเดียวกันหรอกแต่ก็จัดขึ้นเป็นกลุ่มๆคือบางทีก็เอาวิมานสุดท้ายมาตั้งเป็นชื่อหรือประสูตรสุดท้ายมาตั้งเป็นชื่อวัดบางทีก็เอาประสูตรแรกมาตั้งเป็นชื่อวัอย่างยกตัวอย่างยมกะวักในธรรมบทเรียกวักของความเป็นคู่ ก็พูดถึงเรื่องแรกในนี้ก็พูดว่าปิตวักเริ่มด้วยปิติวิมานปิตาวิมานวิมานตังนะครแต่วิมานตังเฉยชื่อก็ไม่มีความหมายลึกซึ้งอะไรพราเริ่มเรื่องจริงๆเป็นเรื่องปิตาวิมานคือเทพธิดาที่มีวิมานเป็นตังตมีใจความโดยสรุปว่าคราวหนึ่งพระโมคขลานะเทระได้เที่ยวไปในเทวโลก ในดาวดึงสติปะโลกก็ไปพบกับเทพธิดาเป็นอันมากชุดนี้เป็นเทพธิดาทั้งหมดเลยเตไปปุฎหายไปไหนหมดไม่ขึ้นสวรรค์ผู้ชายมันหายไปไหนก็ท่านก็ไปพบมันเป็นชุดชุดนะฮะเป็นชุดชุดสามท่านแรกก็มีวิมานสามารถที่จะมีรูปร่างคล้ายๆกระตั้ง เ, เลื่อนลอยไปได้ตามปรารถนา เมือ่อเจ้าของต้องการจะไปไหนก็เดินลอยไปได้พระเทราก็สอบถามว่าทำบุญกุศลอะไรไวจึงมาได้วิมานอย่างนี้มีรูปร่างสวยงามรูปร่างมันสวยงามนะฮะก็พูดถึงความสวยงามมันก็ไม่รู้จะบรรยายยังไงอ่ะก็พูดแต่สวยงามทุกทีเลยแต่มีรัศมีรุ่งเรืองมีภูษาปเป็นทิพ ป, ประดับประดาด้วยเครื่องวิจิตรการตาต่าง คือถ้าเขียนก็คงเขียนไม่ได้เพราะพันนาไว้สวยงามลักเกินแล้วถามว่าทำบุญอะไรเอาไว้จึงมาได้พิมานในลักษณะนี้ท่านก็บอกว่าเคยถวายตังถวายตังแก่พระองค์ต่อมาก็บอกว่าได้เห็นภิกษุรูปหนึ่งที่มีอินทรีย์อันส ง, งบสุขเงียมมีกิยามัญญาติก็ให้เกิดความเลื่อมใสท่านก็เกิดความศรัทธาเลื่อมใสจึงถวายตังเป็นที่นั่งแก่ท่าน แล้วชุดที่สองก็มีอีกสององค์ก็แนวเดียวกันคือถวายต่างเหมือนกันต่อมาก็อีกกลุ่มหนึ่งก็มีวิมานมีลักษณะเป็นนาวาพวกนี้มีสามกลุ่มสามวิมานด้วยกันถามว่าท่านเกิดในวิมานเหล่านี้ด้วยบุญกุศลอะไรก็ตอบว่าในอดิตการนั้นได้ถวายสิ่งของแก่พระบ้างทาบุญ สงเคราะห์ชาวบ้านบ้างโดยวัตถุสิ่งของแต่ไม่ใช่ถวายเรือนะฮะไม่ได้บอกถวายเรือแต่มันเกิดเป็นวิมานเรือคือมีลักษณะคล้ายๆล้ายเรือล่องลอยไปได้อีกพวกหนึ่งก็เป็นการเป็นวิมานมีลักษณะรุ่งเรืองก็เหมือนประทีปรุ่งเรืองมีรัศมีเปล่งทั่วไปนี้ก็เกิดมาจากการถวายประทีป ส่วนความสวยงามพูดถึงความสวยงามทุกทีนะฮะความวิมานเนี่ยก็พูดถึงความสวยงามของวิมานพูดความสวยงามของเทพธิดาพูดถึงความสวยงามของ <c oughs> เครื่องประดับตกแต่งร่างกายต่างๆความวิจฉาพิสดารตลอดถึงบริวารเป็นต้นจะพูดในแนวคล้ายๆกันเพราะว่าระดับบุญก็ใกล้เคียงกันก็มีอีกวิมานหนึ่งก็เรียกว่าเป็นทาสีวิมานก็ไม่มีอะไรมากบุญกุศลที่ท่านทำเนี่ย เป็นแต่เพียงว่าในฐานะของทาสีปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตจริงๆแล้วก็ที่สำคัญก็คือไม่โกรธแม้จะถูกเรียกกราดรุนแรงอะไรก็ไม่โกรธพยายามบำเพ็ญบุญกุศลตามสติกำลังของตัวเองพอเป็นเหตุให้ท่านได้วิมานเหล่านี้ต่อมาก็เป็นสุนิสวิมานลูกสะพายนะฮะเป็นวิมานลูกสะพายเพราะไม่ปรากฏว่าท่านถามชื่อสักองค์ท่านถามมาทบุญอะไร พอท่านบอกว่าเมื่อชาติก่อนเป็นไรท่านก็เรียกทัพไปอย่างนั้นเองอย่างทาสีวิมานไม่ใช่ว่าเป็นเทพธิดาและยังเป็นคนใช้เขานะครับเป็นวิมานของอดีตทาสีในชาติบางก่อนเท่านั้นเองเพราะงั้นสุนิสาวิมานก็เหมือนกันคือไม่ใช่เป็นลูกสะพ้ายใครอยู่ข้างบนนั่นแต่ว่าในชาติก่อนนั้นเป็นลูกสะพ้ยที่ตั้งใจปฏิบัติต่อสามีท่านก็เล่าเองนะท่านบอกว่า ท่านมีความจงรักภักดีในสามีไม่ลุกอำนาจแก่ความโกรธรักสามีของตัวเองเหมือนกับลูกเอาใจใส่เอื้อเฟื้อต่อสามีแล้วก็เป็นผู้ไม่สนิขาจัดมัดเฉริจจิตคือความสนิทออกไปจากจิตใจได้มีความเอื้อเฟื้อสงเคราะห์นุเคราะห์บุคคลอื่นจนมาถึงพวกวิมานของระยาวิกาสามท่านอันนี้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่า มันเป็นพระโสดาพระจกิตาขาคืออุตราวิมานอุตราวิมานกับวิมานของพระอุตราคือนางอุตราธิดาของปูณณะเศรษฐีสิริมาวิมานวิมานของนางสิริมาลูกสาวนางสาวรัตตีน้องสาวหมอชีวโกมารพัฒกับเปสกาธิดาวิมานวิมานของแรดลูกสาวนายช่างหุอดีตลูกสาวนายช่างหุ ซึ่งพระเถระก็ได้สอบถามบุญกุศลเช่นเดียวกันในที่สุดก็ได้ดำเรื่องเหล่านั้นมากราบทูลพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงแก่ภิกษุ ด, ดังกล่าวแล้วทีนี้เรามองวิมานมาโดยลำดับคือโดยสรุปตั้งแต่ตอนต้นมาคือท่านจะพบว่าวิมานในตอนแรกๆนั้นก็เป็นเรื่องฐานะใหม่แต่นั้นเอง คือบุญที่สําเร็จด้วยการบริจาคทานแต่เป็นการบริจาคทานจะต้องสังเกตสภาพจิตนะฮะตัวสภาพจิตเป็นตัวสําคัญเวลาไปกำหนดวัตถุคือเห็นวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสสภาพจิตสําคัญมากเลยนี่ท่านบอกไว้ชัดเจนมากคือเห็นภิกษุมีอาการสํารวมระวังแล้วก็เกิดความเลื่อมใสคือเกิดความความเลื่อมใสเกิดขึ้นก่อนเกิดสัทธาเกิดเลื่อมใสก่อนแล้วก็ถวายต่างด้วยความเลื่อมใสนะฮะ ถวายต่างด้วยความศรัทธาด้วยความเลื่อมใสความเลื่อมใสเป็นความผ่องใสของจิตศรัทธาเป็นความผ่องใสของจิตเบิดนการกระทาบุญในลักษณะนี้ก็เป็นอะไรฮะเจตนาสัมปทาเจตนาสมบูรณ์วัตถุสัมปทาวัตถุสมบูรณ์แล้วก็ไม่ใช่คือปัจจัยสัมปทาปัจจัยสมบูรณ์แล้วผู้รับก็สมบูรณ์มันสมบูรณ์3ามอย่าง ซึ่งดูแล้วใคยๆจะไม่ค่อยมากคือบุญกุศลที่ให้นั้นไม่ค่อยมากแต่มาเกิดความสมบูรณ์ในแง่ของกรรมที่บุคคลกระทําทั้งปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกรรมที่บุคคลกระทําเพราะงั้นก็ทรงผลให้บังเกิดในพิมานพระเทพธิดาที่ถวายตังทั้งหลายมีแนวเดียวกันทั้งหมดเลยทั้งหกเจดองค์ด้วยกันทีนี้เทพธิดาที่มีพิมานเป็นเปลือ อันนี้ก็เกิดศรัทธาคือบางองค์นี่พวกนี้ก็บางองค์ถวายขนมนะมีสององค์ถวายขนมคนน้ชิ้นสองชิ้นะข้าวบาเลเร่ข้าวอะไรเนี่ยก็ไม่ค่อยมากมายอะไรเท่าไหร่แต่ที่สําคัญอย่างยิ่งพวกทานนะฮะทั้งหมดทั้งแถวนี่ต้องเกือบสิบประองนะฮะพวกทานทางนั้นเลยก็มีเพียงห้าหกองข้างหลังเท่านั้นเองที่เรื่องอื่น อ, อ, องค์หนึ่งก็เข้าถวายอาหารที่เป็นข้าว แต่เมื่อเห็นปฏิคาหกคือผู้รับแล้วเกิดความศรัทธาเรื่องสาตรงนี้เป็นตัวสําคัญที่สุดต้องเกิดความศรัทธาเรื่องสายดังนั้นอย่างที่เคยกล่าวมาแล้วว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดแงถึงผู้ปฏิบัติโดยเฉพาะในชั้นทานนะครับจะต้องคํานึงถึงกําลังศรัทธาและกําลังโผคะต้องนึกบ่อยๆเลยทรัพย์เรามีมากมหม ถ้าศรัทธามีมากทรัพย์น้อยอย่าถวายตามศรัทธาทีเดียวเชฉยต้องถวายตามกำลังทรัพย์ที่เราจะให้ได้เพราะการทําทานจะต้องมีผลเป็นความสุขไม่ใช่ให้ทานแล้วไปนอนมือกายหน้าผากอยู่เสียดายแตงินแตงหิดนะแม้ถ้าไม่ทาบุญก็คงไม่เดือดร้อนในตอนปลายเดือนอะเนี่ยไม่ใช่วิธีของพระพุทธศาสนาวิธีพระพุทธศาสนามุ่งขจัดกิเลสนะครมุ่งขจัดกิเลสต้องขจัดกิเลสแล้วเป็นเหตุแห่งความสุข ทั้งในปัจจุบันและภายภาคหน้าจึงจะทําทานต้องดูกําลังทรัพย์กําลังศรัทธาถ้ามีสมบูรณ์ด้วยกันแล้วก็ให้ทําไปได้แต่อย่าให้เกินศรัทธาเหมือนกันถ้าศรัทธาน้อยทรัพย์มากยังไงต้องทําตามศรัทธานนะอย่าทําตามกําลังทรัพย์เพราะถ้าทําตามกําลังทรัพย์ศรัทธาแกอ่อนเกิดเสียดายอีกเกิดเสียดายเพราะจิตใจยังไม่พร้อมทําเกินกําลังไปบางทีก็ต้องการจะแข่งขันกัน ซึ่งไม่ใช่วิสัยในการทําบุญเท่านเหล่านี้ก็มีอะไรมีถวายเข้าฟังอะไรนะครับบาเล่มาบาเล่มีนะสมัยก่อนเนี่ยไม่ใช่บอลกันก็แล้วก็ถวายผ้าถวายประชีพก็แนวกับที่เคยกล่าวมานะฮะที่ที่เคยยกเป็นภาสิทธ์ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงแสดงในรูปของกิริยาปฏิกิริยาอย่างที่เคยบอกว่าบุญในมันเรื่องกิริยาปฏิกิริยาคือเราสร้างเหตุอะไรแล้วเราจะได้สิ่งนั้น ท่นที่ถวายประทีพมันก็รุ่งเรืองหลุดประทีพถวายที่อาศัยนะฮะที่อาศัยก็มีลักษณะเป็นที่อาศัยออกมาก็อย่างที่ทรงแสดงว่าให้ข้าวชื่อว่าให้กําลังให้ผ้าชื่อว่าให้ผิวผานให้ยานชื่อว่าให้ความสุขให้ประทีพเป็นการให้แสงสว่างให้ที่อยู่อาศัยชื่อว่าให้ทุกอย่างแล้วก็การให้อภัยชื่อว่าเป็นการการให้ธรรมะชื่อว่าชนะการให้ทั้งปวง นี่ ก, กเ็เป็นสูตรหนึ่งซึ่งมายุติกันเลยยุติลงการสมการไม่มีการขัดแย้งกันแต่ประการใดท่านเหล่านั้นได้ผลตามที่ท่านให้ความผ่องใสรุ่งเรืองนั้นเกิดขึ้นจากจิตที่ผ่องใสรุ่งเรืองวัตถุที่ผ่องใสรุ่งเรืองเกิดจากปัจจที่ท่านให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจเพราะงั้นมันก็ปรากฏผลในแนวกิริยาปฏิกิริยาตามสัดส่วน ส่วนพระทาสีภริยาที่ว่านั้นเป็นการประพฤติปฏิบัติธรรมปฏิบัติหน้าที่สมบูรณ์นะฮะอันที่จริงมันก็เป็นธรรมะอยู่แล้วอย่างที่เคยบอกว่าสมถะกรรมฐานเองมันก็เป็นธรรมะเป็นคุณธรรมที่มีอยู่ภายในใจเราเราซึสงบเรารู้สงบก็คือสมถ ะ, ะรู้ก็คือวิปัสสนาและตลอดชีวิตของเราเราเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับอะไรก็ตามเราต้องมีสงบกับรู้อยู่ด้วยแม้แต่จะเขียนหนังสือกระดาษต้องนิ่งนิ่งนั้นก็คือสงบเขียนยังไงนั้นก็คือรู้ แล้ในขณะรู้มันก็ต้องสงบสงบก็คือรู้อยู่ด้วยก็หมุนกันอยู่เนี่ยเราลึกรู้บางทีที่เราใช้ปนๆกันมันเป็นอาการซ้ำซากจำเจเหมือนกับการแสดงธรรมะหรือเหมือนกับการดํารงชีวิตของเราบางทีเวลาพระเทพมันก็เจอซ้ําๆไม่ใช่ซ้ํานะฮะที่จริงมันก็เป็นอย่างนั้นแหะเป็นอย่างนั้นเองธรรมะแกเดินเข้ามาของแกอย่างนั้นเองพอเข้าไปก็เข้ากระบวนการคล้ายๆกับการทําอาหารของคนไทยเนี่ยอาหารไทยมันก็หนีกะปิ อะไรพวกนี้ไปไม่เคยรอดห น, นีพริกหนีกะปิไปไม่รอดขนมไทยก็หนีพวกข้าวเหนียวไปไม่รอดเป็นต้นมันหนีไม่ได้พวกนี้พวกที่ขาดไม่ได้ก็คือขาดไม่ได้มันจะต้องมีอยู่ทุกส่วนทุกคนทุกแข่งอย่างพวกสติสัมปชัญญะอย่างเงี้ยแกต้องอยู่ทุกส่วนก็ธรรมะเไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามต้องมีสติสัพยัญญะอยู่ในรูปโดยตรงหรือโดยอ้อมก็ตามเพราะถ้าขาดสติสัมปชัญญะมันก็ไม่รู้จะทำธรรมะได้ยังไงเหมือนกัน ประการต่อไปก็คือเรื่องเรื่องเรื่องภาษีนั้นปฏิบัติหน้าที่โดยความซื่อสัตย์สุจริตมีความตั้งใจจริงแต่ว่าที่สำคัญนั้นคือสุสจริตก็คือสุจริตนะที่สำคัญคือแกไม่โกรธอ่ะแกไม่โกรธแม้จะถูกดุด่าถูกตาหนิอะไรก็ไม่โกรธเพราะความโกรธเป็นโทษของผิวผันแต่แกกลับรุ่งเรืองมีวันะที่รุ่งเรืองก็มีการพัฒนาทางในด้านอะไรด้านศีลด้านสมาธิ คือพัฒนาคุณภาพทางด้านจิตใจสุนีสาวิมานสุนิสาวิมานนั้นก็เป็นวิมานของลูกสะพ้ายอย่างที่ว่านเนี่ยนี่ก็คือหน้าทีอ่อ่ะเป็นการปฏิบัติหน้าที่ของพรญญาที่ดีเมื่อถือว่าเป็นพัญยาก็คือเป็นพัญญาอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่ารักสามีเหมือนกับลูกนั้นเป็นพัญญาประเภทดีนะฮะ ปัญญามีเจ็ดประเภทที่ทรงแสดงแกนางสุชาดาลูกสะพายของท่านอนาตบินทิกะเศรษฐีสามีก็มีเจ็ดประเภทเหมือนกันนะฮะแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับชุดไหนอย่างชุดที่คนในบนแบรเทศที่กรมประชาตั้มพันวันก่อนนะไปดุ เ, เจ้าหน้าที่บอกว่าไปขอหัวข้อฉันเทศอย่างนี้มันเทศดาผู้หญิงนะไม่ได้เสียหมดคือแกให้เทศคู่ว่าผู้ชายเทวดาอยู่กับผู้หญิงผี เลยเวลามาอธิบายอธิบายครอบหมดเลยทั้งสี่คู่เพราะว่าอธิบายคู่เดียวอย่างนี้เราก็ไปเทศดาคนคือธรรมาชุดอย่างนี้เราต้องเอาให้หมดทั้งสี่ชุดนะฮะทั้งสี่คู่ไปแต่คู่คู่เดียวไม่ได้เพราะจะมีคนขวายหนึ่งเสียประโยชนย์เรื่อยเลยแล้มีอยู่คู่หนึ่งกับคู่สี่เนี่ยคือทั้งสองคู่ก็คู่แรกก็เสียประโยชน์ด้วยกันคือเป็นผีกับผีอยู่ด้วยกันที่จริงมันก็อยู่ได้นะครอบครัวผีๆแล้วก็คู่ที่สี่มันก็อยู่ได้ ระหว่างเทพบุตรกับเทพธิดานั้นก็ทรงสแสดงอีกแนวหนึ่งแนวของมาตรฐานดังความประพฤติมาตรฐานดังความประพฤติของคนทีนี้แม้จะในกรณีของสี่ข้อในสังวาสวรสูตรที่ทรงสแสดงใ น, นจตุกาิบัติอังกุตไรกาเนี่ยว่าชายผีอยู่เรื่องกับหญิงผีหญิงเทพเทพเทพเทพธิดาอยู่เรื่องกับชายผีชายเทพบุตรอยู่เรื่องกับหญิงผี แล้วก็ชายเทพเทพบุตรอยู่ร่วมกับหญิงเทพทิดามันก็มีอยู่สองคู่นะฮะคู่สองกับคู่สี่ที่มันมันไม่ค่อยบาลานซ์กันไอ้คู่ที่หนึ่งก็ไม่เป็นไรนะฮะก็ตีกันเช้าตีกันเย็นก็ด่ากันขะโมงจงเฉ่งไม่มีปัญหาอะไรเขาก็อยู่เขาได้แหละก็ระดับผีผีไปเอ่อพวกประเภทนี้ถ้าเราไปจับกับสามผู้สามีพัญญาเจ็ดประเภทมันก็คือกัน คือกันถึงไหมไอโนนจะเจอันนี้จะสี่ก็ตามพัญญาประเภทประเภทเผีผีหรือศพนะฮะชะวะนี่แปลว่าผีก็ได้ศพก็ได้ก็คือพวกประเภทที่เป็นโจรเป็นเพชฌฆาตเป็นนายสามีที่เป็นผีก็คือประเภทที่เป็นโจรเป็นเพชฌฆาตเป็นนายของพัญญาก็าเหมือนกันทีนี้ประเภทเทพธิดากับเทพประบุต์มันก็คือประเภทที่อะไร พัญญาที่เสมอด้วยแม่พัญญาที่เสมอด้วยพี่สาวน้องสาวพัญญาที่เสมอด้วยเพื่อนพัญญาที่เสมอด้วยทาสีนั้นก็คือประเภทของเทพประุตรเทพธิดาแล้วแต่พัญญาหรือสามีแม้จะเจ็นะฮะอันหนึ่งเจ็นหนึ่ง .7 จก็คือกันนะั่นแหละสภายคนนี้ก็อยู่ในฐานะมาตาภรรยามาตาสมภรยาพัญญาที่เสมอด้วยมารดา สองสามีเรานึกดูว่าธนุถนอมเหมือนกับมารดาบิดาธนุถนอมลูกนะแต่ไม่จะขู่ตะอคอกนะไอค้อคอกมันนายอันนั้นนายไม่จะขู่ตะอคอกลูกว่าเห็นมารดาบิดาขู่ตะอคอกลูกอันนั้นเป็นพัญญาประเภทเสมอด้วยนายแต่ว่าในแง่ของความรักความหวังดีความปรารถนาะดีความกุศลนะฮะเอาคุณลักษณะนั้นออกมาไม่ใช่ตอนเอาแม่ดุแต่ถ้าแม่ดุตอนโ น, น้นตอนที่เป็นนายไป แล้วท่านเองนั้นทั้งก็ไม่โกรธปฏิบัติโดยเอื้อเฟื้อที่สําคัญอย่างยิ่งก็คือเสนีนะเสนีเขาว่าโดยสภาพในอาตมาเองไม่ค่อยเชื่อใจไม่ค่อยเชื่อประเด็นนี้ก็บอกผู้หญิงขี้เหนียวกว่าผู้ชายแต่ว่าเราสังเกตว่าคนที่บํารุงศาสนาในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายนะผู้ชายไม่ค่อยเข้าวัดเข้า ว, วิเข้าโรวงอาบอบนวดเสียหมดก็ด อ, ยอยู่ก็นี่เขาบอกก็เป็นอย่างนั้นแต่ว่า ก็ลองวิเคราะห์ดูว่าใครจะนีมากกว่าจะหนีแต่ว่าท่านสามารถขจัดหนีได้แล้วอัจยาสายก็กลายเป็นคนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อบอภิมตรีไปนี้คือพวกสุนิสาวิมารจริงๆท่านก็ได้วิมารมาตั้งแต่เป็นคู่เทพบุตรเทพธิดาอยู่ครองกันบ้านเป็นสวรรค์วิมารอยู่แล้วนะฮะตายไปก็เกิดในสวรรค์วิมารอีกทีนี้นางอุตตราพวกนี้ได้ประวัติครับ เรประวัติจากที่อื่นนี้รู้คือมันรู้ตามที่ท่านบอกแหละมันเรื่องเล่าความก่อนเกิดท่านบอกไว้เท่าไหร่ผมก็รู้ได้ขนาดนั้นนางอุตรานี่มีประวัติอยู่ในที่อื่นพ่อท่านเป็นคนแปลกเนี่ยพ่อของท่านเนี่ยเป็นคนใช่นะเป็นคนใช้ทําบุญประเภทคนที่ประสบผลบุญในวันเดียวคนหนึ่งในเจ็คนสมัยพุทธกาล คนที่ประสบผลบุญวันเดียวทําวันนั้นได้ผลบุญวันนั้นมีเจ็ดคนคนถูกตรณีสูบมีห้าคนอย่าลืมว่าในกรณีพิเศษทั้งนั้นน่ปัญหาปัจจุบันนี้เป็นเขาเรียกว่ากรรมมะวิปากะวิสัยคนเราอย่าไปคิดอย่าไปใช้หัวคิดนะต้องใช้ยานเลยเ ร, รู้ไม่ได้หรอกเพราะอะไรมาฐานมันไม่เท่ากันท่านปุณณะนี้ที่จริงก็เป็นธาตุไปไถนาไถนาแล้วก็สั่งพัญญาให้ พ่อของนางอุตรานะฮะจะเล่าต่อไปหน่อยออท่านท่านท่านถ่ายนาแล้วก็หิวมากพันยาก็ไม่ได้ส่งอาหารก็นั่งตาลา ย, ลยรอคอยพอดีพระสารีบุตรออกจอากนิโรธสมาบัติพอดีเดินผ่านมาทางนั้นท่านก็ดีใจเห็นพระสารีบุตรมาแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีอาหารก็เลยไปตัดไม้สำระฝฟันถวายก่อนก็รอตั้งใจว่าพัญญากลับมาแล้วจะถวายอาหาร ตัวเองจะไม่ฉันนักดีใจมากเลยพระมาพอดีเลยได้จังหวะแต่คอยแล้วคอยอีกก็พัญญาไม่มาถาวายข้าวไอ้มาจําแล้ฟันเสร็จก็ตัวเองก็หิวก็ถ่ายน้ไม่ไหวก็ปลดโคปล่อยแล้วก็นอนนอนหลับไปพัญญาก็กลับมาก็เล่าให้ฟังแต่ไกลนะ บอกว่าพี่ทำใจสบายนะวันนี้อยากโกรธอย่าน้อยใจอย่าเสียใจทำใจสบายมากที่สุดไอแกก็เล่าให้ฟังว่าแกนั้นก็เอาอาหารมาแล้วหรอกแต่พอดีไปเจอภาษารีบุตรพอดีเลยดีใจว่าดิเจอพระได้พอดีโดยตักบาตรหมดเลยต้องกลับไปหุงข้าวมาใหม่มันก็ใจมันก็เหมือนกันสองสามีปัญญาเนี่ก็ปรากฏว่าไอ้ข้าวที่แกไถอยู่เนี่ยไอ้ไอ้ไม่ได้ขี้ไถ้ไอไอ้ขี้ดินไอ้ขี้ไถ มันเป็นทองเป็นทองไปหมดเลยอันนี้เพราะอะไรเพราะมันประกอบด้วยสัมปทาสีาที่เคยเล่าความนะฮะวัตถุสัมปทาคือวัตถุผู้รับนั้นสมบูรณ์ด้วยคุณปัจจะยสัมปทาของที่ได้มานั้นในข้าวข้าเข้าเช้านานะฮะอะไรนักหนาแต่มันสมบูรณ์อะ่ะมันไม่ทุจริตมาเจตนาสัมปทาทั้งสองคนผัวเมียคิดตรงกันเลยทั้งๆ ท, ท, ที่ไม่พบกัน แล้วก็คุณนาติเรกสามปทาท่านพระอริยะบุคคลนั้นต้องออกจากนิโรธสมาบัติและเราถวายท่านเป็นคนแรกซึ่งมีอยู่เจ็ดคนนั้นเองในสมัยพุทธกาลมันไม่ได้จังหวะแม้เราจะเจตนาดียังไงที่เราจะได้จังหวะปั๊บอย่างนั้นเนี่ยก็หายากเหลือเกินเพราะงั้นท่านก็กลายเป็นเศษชีเลยเพราะดินมันเกิดเป็นทองขึ้นมาแต่เฉพาะที่ไถไว้นะฮะไม่ไม่ใช่ว่าเป็นทองทั้งแปลงอย่างนั้นก็สนุกกันใหญ่เลยเมื่อกลายเป็น เป็นเศรษฐีไปแล้วก็ลูกสาวคนนี้ชื่ออุตรานี่ก็เข้าวัดคลังธรรมจามศีลก็เป็นพระยาบุคคลองค์คนนี้เมตตาแก่กล้ามากแล้วไปได้สามีมิจฉาทิจิเมื่อก็นางวิสาขาพวกนี้แปลกนะฮะลูกสาวของท่านนาตบินิกาเศรษฐีก็ได้ผัวมิจฉาทิจิของท่านถนนชัยก็ได้ผัวมิจฉาทิจิแต่ก็ดีฮะกลับรักลูกสามีเป็นสมาธิจิได้ทั้งหมดเลย นางอุตระก็ไปอยู่กับสามีสามีก็ไม่ยอมให้ทําบุญทํากุศลแก่ก็ไปจ้างนางศิริมาซึ่งเป็นวิมานเดกวิม า, อานอะไรเงี้ยนางศิริมานั้นเป็นนครโสเพณีก็ให้มาอยู่ปฏิบัติสามีและแกจะทําบุญทํากุศลกับแก น, นางศิริมาก็จ้างมาวันละพันนะฮะจ้างมาอยู่วันละพันละพันก็มาอยู่นานๆก็ชักเพลินเพลินมาอยู่ก็ฤหัสใหญ่ก็นึกว่าตัวเองเป็นเจ้าบ้านชักมันมันขึ้นมาก็เหมือนกับนิทานไทยน้ำเน้าทั้งหลายเนี่ยฮะ ชอบแย่งมระดกกันจิ้งไม่รู้อะไรไเกิดไม่กี่ปีกี่ชาติตั้งแต่กินนานๆพลิกหนังสือไทยอ่านแล้วแย่งมรดกกันยิงมันดูหมินวิญญาณมนุษย์เหลือเกินเกิดมาจะอ้ามือจะแย่งของคนอื่นนั่นเองยื่นมือจะแย่งของคนอื่นไม่มีความคิดไกลจากนี้แล้วงั้นพัฒนาไม่ก็ได้ไหมเพราะคนไทยวนเนี่ยจังแย่งมรดกกันท่าเดียวเอ่อก็ออกมาในรูปนางนางซีริมาเขเกิดหลงตัวนะครับหลงตัวก็เกิดอะไรมาฮะ แค่แค่กำหมั่นไส้อิจฉาอะไรเนี่ยมันก็ดูแกไม่ออกแกลงมาจากปราศาสตรเลยตากน้ํามันที่ก็กําลังจะทอดขนมมาราชหัวนางอุตรานางอุตราก็แผ่เมตตาแผ่เมตตาว่าแกมีโอกาสได้ทําบุญทําความดีก็เพราะเพื่อนเนี่ยมาช่วยเหลือไว้แกก็ได้ปลีกตัวมาทําความดีน้ํามันไม่ราดกรายเป็นจินเพื่อนก็จะรุมซ้อมมาพระทาสีเยอะนะฮะ จะรวมจะตีนางสิริมานางอุตราก็ห้ามไว้นางสิริมาก็เกิดซ้ำนึกน้ำก็แปลกน้ำมันรอ้รอนๆน้ำรอดไม่ไม่ไมอพองเนี่ยเขาขอเขามาแกบอกแกให้เขามาโทษใครไม่ได้ต้องให้พ่อแกงก้อโทษให้แกก็บอกว่าแกจะไปหาปุณณะเศรษฐีบอกไม่ใช่นั่นพ่อในทางชีวิตแต่พ่อฉันจริงๆคือพระพุทธเจ้าก็ตกลงก็นำไปฟ่าพระพุทธเจ้า พุทเจ้าก็อภัยโทษให้แล้วก็เทศโปรดนางสิริมาก็กลับเป็นพระโสดาบันอีกองหนึ่งนี่ก็นางอุตราที่เด่นนั้นก็คือเรื่องแต่ท่านเป็นพระโสดานะมันไม่มีปัญหาอะไรเรื่องวิมานเนี่ยมันกิ๊กก๊อกมากเลยคือคื อ, ค, อ, ค, อ, ค, อคือธรรมดาอนะเป็นธรรมดาของท่านอนะพวกนี้มันปิดประตูอบายนะฮะตูหะปาเยหิจวิปมุตโตเนี่ยคือปิดประตูอบายทั้งสเลยไม่มีทางเกิดในอบายท่านจะต้องเกิดเป็นเทวดาอย่างเดียว แต่ว่าบางครั้งนะเราก็ไม่เคยมีพระโสดาบันที่มาเกิดเป็นมนุษย์เพราะอะไรเพราะว่ามันอายุของของเทพบุตรเทพธิดานั้นไม่เหมือนกับอายุมนุษย์อยันที่เคยเล่าให้ฟังว่าเจ้าตุมาราชเองมันก็50ปีโลกมนุษย์เท่ากับวันก็คือหนึ่งของเขาสวรรค์ชั้นดาวดึงก็ร้อยปีของโลกมนุษย์เท่ากับวันหนึ่งคือหนึ่งของเขามันอวดแสดงว่าเขาเพิ่งเกิดได้20กว่าวัน น, นั้นเองนะฮะสมยัยพระพุทธเจ้าพวกพระอริยสาวกที่ตายสมยัยพระพุทธเจ้านะฮะ เพเกิดไปได้ตั้ง20วันใน10วันนั่นเองแต่บางที่สูงขึ้นไปกว่านั้นนะฮะเพราะงั้นจึงจึงยังไม่มีแต่บาลีบอกว่าเดวามนุษย์เสสุสังสารโตคือท่องเที่ยวอยู่ในเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็ไม่เกิดเจะชาติเพราะนั้นอานิาสงส์ที่ทำให้ท่านเกิดวิมานนั้นตัวหลักจริงๆ ก, งก็คือโสดาปฏิมาคนมันะมแน่นอนไปแล้ว แต่ธรรมะที่สําคัญก็คือว่าเมตตาธรรมเมตตาแก่กล้ามากนะอย่าลืมมาสององค์เนี่ยสองคนอุบาติกาสองคนเนี่ยพระนางสามาวดีพระนางสามาวดีแผ่เมตตาจนพระเจ้าอุเทนยิงธนูไม่ออกอ่ะกงธนูได้ปล่อยลูกศรไม่ได้ยืนยืนเหนื้อแตกปักปักไปปกปักเลยนี่ก็แสดงถึงอนุภาพเมตตาอนุภาพแล้วท่านอุตตราเริรีเอ๊ไม่ใช่อุตราวิบาติกาคนหนึ่งนี้ก็เหมือนกันเมตตาแรงกล้ามากเลย แเมตตาจนขนาดน้ำมันเป็นน้ำเย็นได้แล้วก็เป็นได้จริงๆปรับความรู้สึกที่เราสวดๆกันเนะี่ยจริงเราสวดกันเยอะนะเป็นร้อยเป็นพันมันทำไม่ค่อยได้มันโกรธมาก่อนทุกทีอโยมบอกก็โกรธมาก่อนทุกทีทำยังไงต้งอย่าห้ามโกรธก็พยายามสร้างจิตให้ประกอบด้วยเมตตามีความรู้สึกคนอื่นเหมือนกับเหมือนกับญาติพี่น้องเหมือนลูกนะฮะเหมือนอะไรเนี่ยเราก็จะให้อภัยแก่ได้อดทนแก่ได้แล้วในสุดฐานจิตมันก็อยู่ด้วยเมตตาได้ ใบเมตตามันก็เป็นวิมานในชีวิตประจําวันอยู่แล้วนะฮะเพราะใจเราจะสงบเยือกเย็นมองไปในทิศทางใดนี่มันมันไม่มีอะไรเป็นเป็นอะไรเป็นหนามตาําตาหรือเป็นผงที่เสียดแทงตาเลยเรสาสร้างความรู้สึกอย่างที่สวดนี่แหละสวดในในพรหมวิหารรับรณนาเนี่ยสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรไม่มีภยัยไม่เบียดเบียนกันไม่ประทุสร้ายกันมีสุขตามสมควรแก่อัตภาพของตนหรือที่ท่านเล่าถึงสังราชไก่เถื่อน ที่ว่าท่านเมตตาจนขนดาดไก่มันเชื่องแต่สุวรรณษาเมตตาจนสัตว์ป่าตามเป็นพรวนนะฮะอันนี้มันธรรมดามากเลยไม่ได้ผูกขาดไว้ว่าเฉพาะนางอุตราุบาศิกาหรือไม่แต่ว่าถ้าใครทำแล้วมันก็จะประสบผลเช่นเดียวกันคือเราจะไม่มีเวนไม่มีใครกันใครแม้แต่ยุงยังไม่เคยกัดนะฮะไม่ใช่ว่าไปอยู่ในมุ้งรวดนะเรีว่า เราอยู่ธรมธรมดาธรรมดาเนี้ยแต่ว่าเราแผ่เมตตาเนี่ยยุงจะไม่ค่อยกัดแต่ถ้าเรายิ่งโตแล้วมันยิ่งกัดใหญ่เลยยุงยิ่งกัดใหญ่เพราะงั้นก็แผ่เมตตาไปถ้ามันยังกัดอยู่ก็ให้ทานมันไปกไไไ็ไม่มีปัญหาอะไรก็ได้บุญทั้งสองชั้นเนี่ยแต่ถ้าตกมันก็จะได้บาปเพราะมันเกิดเป็นความขุดมัวความเป็นโทสะขึ้นมาภายในจิตใจทีนี้นางสิริมานั้น ท่านเป็นนัราโสเพณีนัราโสดเพณีไม่ใช่ไม่ใช่โสเพณีบ้านเรานะฮะนครโสเพณีเป็นตำแหน่งเป็นตำแหน่งที่ได้รับเลือกจากพระราชาเป็นผู้ประดับนครในงดงามนะฮะที่ราชการที่6กเอามาสรงปณิพนธ์เมืองใดไม่มีนาฬิงามเมืองนั้นหมดความภูมิใจเริ่มจริงๆมันเริ่มอย่างที่แคนวัดชีสมัยพระเจ้าพิมพีสถานะันกรุงราชกฤชไม่มีหรอก พระเจ้าพิมพิสารท่านไปที่แคว้นวัชีในแคว้นวัชีก็มีตําแหน่งอัมพาปาลีอัมพาปาลีเป็นชื่อตําแหน่งนะฮะเป็นชื่อตําแหน่งคือคือตำแหน่งนคกรโสเพณีเนี่ยชื่อมาเดิมเป็นยังไงไม่รู้แต่ว่าเสร็จแล้วพอได้ตําแหน่งนี้ก็เรียกว่าอัมพาปาลีเพราะว่าพระราชาพระราชาทานสวนมะม่วงเป็นที่อยู่แล้วก็มีปราสาทมีวังอยู่เลยเป็นพวกประดับนครใ้งามแล้วคนทั้งหลายก็มา สนทนามาดูการได้รามอะไรตไรัยส่วนท่านจะเกี่ยวข้องกับใครนั่นก็เป็นความสมัครใจไม่ใช่ว่า อ, อย่างที่เราเข้าใจในในเมืองไทยเราพระเจ้าพิมพิสารก็นําแนวนี้มาเปิดขึ้นที่กรุงราชชุกฤผู้หญิงคนแรกที่เป็นนักราชโสเป็นนีกรุงราชชุกฤก็คือชื่อสารวจัจีสารวัจีก็มีลูกผู้หญิงคนหนึ่งก็คือศิริมาเนี่ยฮะเลี้ยงไว้แล้วก็ชีวกชีวกคือพวกพวกนี้จะไม่เลี้ยงลูกผู้ชาย ชีวกก็แปลว่ามีชีวิตอยู่ก็ไปทิ้งทิ้งอภัยราชกุมารมาเห็นข้าวก็ให้คนข้าไปดูถามมาตายแล้วยังอ่ะเขาบอกว่ายังยังก็คือมีชีวิตนะแล้วก็ชื่อว่าชีวกชีวกก็โกมารพัทคือราชกุมารผู้ยังมีชีวิตอยู่โดยราชกุมารเลี้ยงดูก็ชื่อว่าชีวกโกมารพัทปรามาจารย์ของแพทย์ก็นี้ก็คือแพทย์ใหญ่อาจารย์ชีวกโกมารพัทเนี่ยเป็นแพทย์ใหญ่ที่เรียกว่ารอบรู้มากนะฮะถ้าว่าโลกสืบต่อ ชีวโกมาราพัฒมาได้นะมันขาดได้ตรงไหนไม่รู้เพราะสมัยชีวโกมาราพัฒมันเยี่ยมจริงๆเลยแพทย์ในขนาดว่าพระพุทธเจ้าตอนข้อพระโลหิตเนี่ยหมอชีวกพอกยาทีเดียวเลยหายเลยหายไม่ไม่กี่ชั่วโมงหายแล้วคนก็บวชหัวไปตั้งเจ็ดปีหมอชีวกก็ผ่าสมองผ่าสมองได้เลยฮะข้าวหน้ามากเลยไอ้มันมาหายไปไหนไอ้ตำราแพทย์เนี่ย นี่ก็คือขาดการสืบทอดเหมือนกับฮูโตของจีงนนะ่ะสมัยสาม ก, ก๊กมันมีทูโตดังอยู่มากแต่ก็ขาดการสืบทอดอันนี้รู้สึกว่าจั ก, กรพรรดิองค์ที่สร้างกำแพงเมืองจีงนะเอาไ้เผาหมดเลยเนางศีรีมา ก, ก็โตขึ้นมาก็รับตำแหน่งนี้ต่อจากแม่นะครับเป็นผู้หญิงที่มีชื่อเสียงมากก็ที่เล่าให้ฟังในอะไรวันก่อนในกรรมฐานนะฮะก็แล้วแต่ประวัติตอนไหนของท่าน ต่อมาเมื่อท่านเป็นพระโสดาบันแล้วท่านก็ยังอยู่ในตําแหน่งเดิมนะฮะแต่ว่าตั้งนิจจพัดถาวายทานวันละสี่รูปสี่รูปพระจะเปลี่ยนเบญมารับแบบสังฆทานคือสังฆทานนั้นจะไปแจ้งไว้ที่วัดเลยว่าขอให้ส่งพระมาสี่รูปจะส่งใครมาก็ตามก็ไม่ได้บ่าอะไรนะฮะไม่ต้องเจาะจงเจ้าขุนนั้นเจ้าขุนนี้สมเด็จนั้นสมเด็จนีน้มาเลยกับพระก็แล้วกันนะเพระถาวายสังฆทานถาวายในนามสงฆ์เป็นการเจาะจงสง ท่านทาจนตายครก็นะตอนป่วยหนักนี่ก็ยังให้คนประคองมาตักบาด ท, ท่านทําก็ท่านจนจนตายไปแต่ว่าอย่าลืมมาตัวการสาคัญ น, นะมาอยู่ที่ท่านเป็นพระโสดาบันนะฮะท่านเป็นพระโสดาบันท่านก็ต้องอยู่วิมานอยู่แล้วท่านต้องบังเกิดในสุคติอยู่แล้วต่อไปก็คือเปสกาทิดาวิมานวิมานของชิดาอาดีตนายช่างขูกนะฮะตัวอย่างที่มาบอกแล้วว่า ในคำถามของพระโมคคัลลานะท่านไม่ได้ถามประวัติท่านถามมาทําบุญอะไรมาต่นนั้นเองแล้วก็กบอกกับท่านนั้นนะฮะทีนี้พอดีไอเปรซกาธิดาวิมานมันก็มีเรื่องอยู่ในที่อื่นเราพอจะเล่าได้ว่าประวัติของท่านนั้นก็เป็นสมัยที่ท่านยังสาวๆนะฮะแล้วก็เห็นพวกพระหนุ่มๆเนี่ยเดินบิณฑบาต ท, ท่านบอกไอแม่แม่พระเหล่านี้หน้าตาก็ดีนะร่างกายก็แข็งแรงนะทําไมจะต้องบวชแต่ขอข้าวก็กินอย่างนั้นแสดง สงสัยคงจนมากเลยมั้งไปกระซก็แม่นะแม่ก็ห้ามลูกไว้พูดจากท่านไม่ได้แล้วก็ราบประวัติพระพุทธเจ้าให้ฟังเพราท่านเหล่านี้มันก็เกิดเบื่อหน่ายมองเห็นโลกที่เต็มไปด้วยความทุกข์ความเดือดร้อนต่างๆอย่างที่เรารู้เห็นกันอยู่นี้ฮะแล้วในที่สุดท่านก็ปลีกตนออกบวชไปเพื่อสแสวงหาทางหลุดพ้นจากความทุกข์ท่านก็ อ, อธิบายประวัติพระพุทธเจ้าแล้วก็มาเชื่อมสรุปนะฮะไอแนวความคิดเหล่านี้มันมันก็เกิดได้ทั้งนั้นนะฮะ แต่ว่ากันตามความเป็นจริงคือพระเรานั้นเป็นจากพระราชาจนถึงขอทานมหาจนก็มีพร้อมนะเหมือนกับภิกษุดีก็มีตั้งแต่พระราชินีจนถึงหญิงโสเพณีหญิงแพทย์สยาคนขอทานคนบ้าบๆเลยตรงเยอะแยะไปหมดเลยคือมันมันมันได้ทั้งนั้นศาสนาเรามันมันไม่มีชาติศาสนาพุทธเนี่ยเมื่อวานเนี่ยเขามาสัมภาษณ์ออกโทรทัศน์ตรงเนี้เราบอกมันไม่มีชาติเรารอพว่าศาสนาชาติคำว่าเบสตาไม่มีวันนะไม่มีชาติ มีแต่สเพสสัตตามีแต่ปานีนังคือสิ่งมีชีวิตเท่านั้นเองเราไม่มีอะไรเลยไม่มีเผ่านั้นเผ่านี้ไม่มีอิสราเอลไม่มีอาหรับไม่มีอียิปต์อะไรเราเราไม่มีอะไรเรามีแต่สเพสสัตตาถือว่าเป็นเป็นสัตว์ตัวโลกเป็นสิ่งมีชีวิตที่จะต้องเกื้อกูลเท่านั้นเองพระพุทธเจ้าตรวจดูโลกเป็นโลกกนาโถคือที่พึ่งของโลกก็ไม่ได้ที่พึ่งของคนไทยพม่าลังกาลาวเขมรอะไรอย่างเงี้เราไม่มีอย่างนั้นในในพระพุทธศาสนาเนี่ย ดังั้นจึงพูดยากฮะพูดยากว่าเราจะเป็นเป็นพวกนั้นพวกนี้มันไม่มีเลยในพระพุทธศาสนาไม่มีคําอย่างนั้นเลยที่จะแบ่งเป็นเผ่านั้นเผานี้จะต้องทําลายล้างจะต้อง ต, อต่อสู้จะเป็นจะสู้ไม่มีเลยเราไม่มีคําพูดอย่างนั้นเรามีแต่สัพเพสัตตามีแต่ปานีนังกษัตริย์มีชีวิตสิ่งมีชีวิตทั้งหลายแต่นั้นเองดังนั้นเนื่อใครก็ตามที่อยู่ในเงื่อนไขจะบวชก็บวชได้บวชได้ เป็นกษัตริย์ก็บวชได้เป็นยาจกก็บวชได้ก็จากพระสุบินนิมิตของพระพุทธเจ้าที่ว่ามีนกสารพัดสีบินมาก่อนจะตัดทรู้นะฮะบินมาพอถึงพระองค์แล้วก็กลายเป็นสีขาวหมดหมายนว่ามาคนทุกหนูเราจะเป็นใครมาก่อนนะไม่รู้บวชมาแนละ้วก็ก็เป็นธรรมนัสสักยบุตรทั้งหมดเลยเต่อมาอุบาเด็กคนนี้ไม่ได้พบพระนะคือไม่ได้เคยฟังธรรมะจากพระอันนี้แปลกอย่างเลไม่ฟังธรรมะกับพระก็ไปพบกับอุบาสกท่านเลย ก็เป็นเด็กที่อยากรู้อยากเห็นนะก็ไปสอบถามลุงลุลุกนี่เรื่องพระนี่ว่ายังไงอะไรแต่อะไ ร, อ, ะไ ร, ระอุบาสกก็เล่าให้ฟังแล้วในที่สุดก็แนะนําให้แกนะรักษาศีลให้รักษาศีลแก่ก็รักษาแกก็ทําตามนะรักษาศีลปฏิบัติแล้วก็มีการให้ทานปลูกฝังอัตยาสายไปอายุไม่เท่าไหร่หรอกอายุน้อยก็ตายไปก็ไปเกิดในบิมานอันนี้ก็เป็น เป็นลักษณะของวิมานต่างๆซึ่งเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วก็คือหนึ่งการให้ทานนะ2การปฏิบัติหน้าที่3การเจริญธรรมะกุศ ล, ลธรรมทั้งหลายแล้วก็สคือมรรคผลผนิพพานไม่ใช่ ร, รักษาศีลด้วยรักษาศีลด้วยแล้วกับได้มรรคผล คือโสดาปฏิมากรน่ายกไปเลยนะฮะมันไ ม, ไ, มไม่ได้เกี่ยวหรอกคือว่ายัางไงยังไงท่านก็ตายตัวลงไปทีนี้มีวิมานหนึ่งที่หน้าที่น่าสนใจมากมันเหมือนกับมัถกุลทะเลวิมานคือผู้หญิงจันทานคนหนึ่งคนนี้คือเป็นเป็นเทพธิดาเลยมาคว้าเราพระพุทธเจ้าเป็นเทพธิดาพระท่านมาคว้าเราพระพุทธเจ้าในคราวหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จไปแล้วก็หญิงจันทานแก่มากแล้วสันของหงอกไง พระโมกขารนะท่านก็เดินเข้าไปหาและกระซิบพระพุทธเจ้ายืนให้หญิงจันทาเ น, นี่ยดูยืนให้ดูประทับยืนให้ดูแต่ว่าแกก็ยังตั้งหลักอะไรไม่ได้มันมันมันป่วยหนักแล้วก็พระโมคกขารนะก็ไปกระซิบบอกว่ายายยายยมองดูพระพุทธเจ้าแล้วทําใจให้เลื่อมสายที่ชีวิตของยายกาลังจะหมดแกก็มองดูพระพุทธเจ้าก็ทําใจใเลื่อมสา ย, ะยะพยกลมเสร็จ แ, แล้วก็ก็กำลังป่วยหนักนะฮะก็คนจันทานมันก็เร่ร่อนเนะี่ยที่ขอทานนะี่ย เร่ร่อนจะขอทานอยู่ว่าทําใจให้เลื่อมใสายก็เพ่งดูที่พระพุทธเจ้าจนจิตใจเลื่อมสายแล้วแกก็ค่อยสุดลงแล้วก็ตายเพรบังเกิดในวิบากเกิดในวิบากก็เหมือนกับเรื่องมัทธกคุณตลีที่เคยเล่าให้ฟังแนวเดียวกันเพี้ยเลยเหมือนกันแล้วพวกนี้มีเยอะนะฮะมีเทพธิดาบางองค์ที่ต้องการจะไปบูชาพระเจดียเดินไปยังไม่ทันถึงเลยตัว ง, งูกัดตายแต่ว่าใจมันอยู่ที่เจดีย ใจไม่ได้อยู่ที่งูหรือไม่ได้สนใจที่ทุกรเวทนาเหล่านั้นเก็บดอกไม้ขึ้นไปเพื่อจะบูชาเจดีย์ท่านั้นมันก็เข้าสูตรหมดเข้าสูตรทั้งหมดเลยสูตรอะไรสูตรที่จิตผ่องแพ้วจิตผ่องแพ้วก็หวงังได้ว่าจะบังเกิดในสุกติเมื่อจิตเราบมองก็จะบังเกิดในทุกติเพราะงั้นแต่ละคนทั้ง17วิมาน18วิมาน19มาแล้วนะฮะสิวิมานมาแล้วเนี่ยเมื่อกล่าวโดยสรุปก็จะมีแนว อ, อย่างนั้น ดังนั้นก็ได้ได้หลักเฉพาะแถวนี้นะฮะเฉพาะชุด1 8บแป้วิมานนี้ที่จริงเอามาข้ามไปในจิตตดาวัตร เ, เรื่องนึงด้วยคือคือจะต้องการเชื่อมโยงให้เห็นว่าบางอย่างนั้นไม่ได้มากฮะมันอยู่ที่ทำใจแต่นั้นเองอยู่ทำใจให้เกิดความเลื่อมใสว่าทํำยังไงเราจึงจะคุมใจเราได้อย่างน้อยที่สุดนะก่อนจะดับจิตนะก่อนจะดับจิตทําใจให้ผ่องใสให้ได้อะไรก็อย่าไปวุ่นวายนะ ทำใจให้สงบอยู่กับอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งอย่างวันก่อนนี้ไปในงานในงานศพแห่งหนึ่งเจ้าภาพเขาเล่าให้ฟังว่าแม่เขาที่ป่วยอยู่กำลังป่วยอยู่โค ม, ม่าพอดีนะฮะแล้วเขาก็เปิดโทรทัศน์รายการพูรทต้องปฏิบัติพอดีอามาออกแล้วคนตายรู้จักอามาอยู่ด้วยพอดีแกก็คือมันไม่ค่อยไหวอะ แกก็ยกมือขึ้นพนมฟังเทศแล้วก็จนตายไปกูอก็ดีนะคือคือคือสามารถตายไอตอนขณะฟังธรรมะอยู่ได้นะรายการพุทธประชีพเมั่ก่อนนี้นี่ก็เกิดมาจากอะไรเกิดมาจากไอชันทะที่คือความพอใจที่เรามีอยู่แล้วคนนั้นมีอยู่แล้วในการที่สนใจต่อต่อธรรมะแต่แต่เป็นอุบาสิกานะฮะนี่เป็นอุบาสิกาคือรักษาคุณภาพจิตของตัวเองมานานแล้ว พอดีก็มาได้จังหวะอย่างนั้นมันก็ค้าจังหวะการกุบุญกุศลต่างๆแม้มีประมาณน้อยอย่างเช่นเนี่ยถวายข้าวยาคูถวายข้าวบาเล่ถวายอะไรน้ําดื่มที่เย็นนะฮะนาวาวิมานเนี่ยหรือถวายน้ําดื่มที่เย็นสนิทเท่านั้นเองนะแต่มันถวายด้วยความเลื่อมใสน้ําดื่มธรรมดาน้ําแก้วเดียวราคาไม่กี่ตังก็ได้นะแต่มันถวายด้วยความเลื่อมใส ด้วยความศรัทธาเรื่มใส่ในใจทั้งก็ยึดเหนี่ยวในสิ่งเหล่านั้นอยู่สิ่งเหล่านั้นก็กลายเป็นสิ่งที่ที่อะไรที่หรวพุทธเจ้าว่าบุญและบาปที่บุคคลทําไว้ในโลกนี้ย่อมเป็นของของบุคคลนั้นแท้บุญและบาปนั้นจะติดตามบุคคลนั้นไปเหมือนเงาที่ติดตามบุคคลนั้นไปเช่นั้นทีนี้เรามาดูตัวอย่างอื่นนะครดูตัวอย่างอื่นนี่ก็ดูตัวอย่างใครดูตัวอย่างโยมคนหนึ่งที่ฝังทนลในอย่าออกชื่อกันเล แกตายไปแล้วนะฮะที่จริงตอนเนี้ยคนคนนี้นนตลอดชีวิตไม่เคยทำไม่เคยทําบุญเลยแล้วก็ไม่ไหว้พระด้วยเป็นคติของคนโบราณเ ก, ก่าๆเนี่ยก็ถือไม่ไหว้พระวันหนึ่งแม่แกให้แม่แกทําบุญเป็นอุบาสิกาเคร่งครัดทำบุญตักบาทไม่ขาดแล้วก็มาอยู่บ้านน ะ, ะสั่งลูกสาวให้ทําบุญให้ด้วย ให้ตักบาตให้ด้วยพอพระมาแกก็ตกใจทนะัตลีตลาดไมรู้จะทํำยังไงเพราะว่าเพราะว่าแม่ก็ไม่อยู่ไม่มีคนะแก่ก็รีบไปเอาของที่แม่เตรียมไปให้แต่แม่ก็บอกให้เอากล้วยที่อยู่ข้างในห้องแบบโบราณนะเมื่อเจ็ดแปสิปีมาแล้วก็ปรากฏว่ากลก้วยนะั้นหนูกินไดหน่อยหนึ่งแกก็ไม่เฉืน่นเฉือ่นออกแล้วก็เอาไปตักบาตมีประทูปมีกล้วยสองลูกก็ครึ่งหแล้วก็เอาไปตักบาดกับข้าวขัน ต่อมาก็เรีกว่าท่านนั้นเนี่ยฮะในชีวิตของท่านแล้วท่านก็เมื่อแม่ตายแม่ก็ยังสั่งแต่ก็ยังไม่เคยทำอะไรเลยต่อมาท่านตายเอย้ไม่ใช่ท่านป่วยแล้วก็สลพตลบก็ไปพบ ก, กับแม่พบ ก, กับแม่ปรากฏว่าแม่นะจำได้ว่าแม่แต่ว่ารูปร่างไม่เหมือนเดิมคือคื อ, ค, อ, ค, อคือสวยสาวขึ้นแต่ว่าแม่เองก็รู้จักกั ล, ลูกมาเนี่ยก็เรียกไปคุยอะไรต่ไร แกนั่งหิวมันป่วยมาหลายวันแล้วหิวไม่ได้กินอะไรก็พอเห็นของมันเยอะนะฮะของกินก็หยิบห ย, ยิบไม่ขึ้นหยิบไม่ได้แม่ก็บอกว่านี่ไม่ใช่ของแกหรอกของแกอยู่ข้างในนะครับไปเอาสิแกไปถึงข้าวไปดูเนี่ยมีข้าวอยู่ขันหนึ่งกล้วยสองลูกครึ่งกับป๋าทูทัวหนึ่งจําได้ชัดเลยตั้งแต่คราวนั้นนะฮะแต่มันต้องหิวก็ต้องกินแล้วก็แม่ก็เรียกมาตักเตือนบอกเนี่ฉันสอนแกฉันเตือนแกตั้งหลายครั้งว่าให้ทำบุญทำกุศลออกไปแต่แกก็ไม่ทํา แกก็ทบมาได้ตนอนนั้นแกก็มีฐานะเนี่ยเพราะงั้นมันก็ไปไ ป, ไปสอดคล้องกันเรื่องนอนเนี่ยเรื่องที่ว่าเราให้มาอย่างไรมันก็ออกมาเป็นอย่างนั้นเรื่องกิริยาปฏิกิริยาคนที่ถวายต่างเป็นทานก็มีวิมานต่างคนที่ถวายน้าเย็นก็มีวิมานคล้ายๆกันเรือแล้วก็ถวายประชีพก็ออกมาในรูปประชีพถวายอาหารออกมาในรูปของวิมา น, นต่างๆเป็นเรื่องของกิริยาปฏิกิริยา ถ้าแม้แต่ในเรื่องอื่นรู้สึกเอามาเคยเล่าเรื่อ ง, เ ร, องเรื่องเรื่องแจ็คเคฮงให้ฟังนะฮะที่สุราษฎร์เนี่ยแต่นี่ เ, เคยเคยเค ย, เคยอะไรล่ะจุดดอกไม้อะไรกระดาษทองกระดาษเงินอะไรเนี่ยเผากระดาษเผากระดาษที่มีกองขี้เท่าเป็นกองเลยรออยู่นี่เวลาแกตายสลบไปนะฮะสลบไปตั้งตั้งนานนะตั้งแต่สี่โมงเย็นถึงเที่ยงคืนอนะไปพื้นตอนตอนเที่ยงคืนก็ไปพบเห็นอย่างนั้น แต่สถานที่ตั้งอยู่ที่ไหนสถานที่ตั้งของวิมานนั้นไม่ได้บอกเพราะอย่างที่บอกมาแล้วว่าคนที่พระพุทธเจ้าแสดงด้วยนั้นคือคนคนที่รู้วิมานอยู่ทั้งหมดเลยมันเหมือนกันอะไรเหมือนกับเราคนกรุงเทพพูดเรื่องสนามหลวงพูดเรื่องพระบรมมหาราชวังเลนะฮะพูดน้ําท่วมหน้ารามื่อไรก็ตามก็ไม่ต้องบอกว่ารามอยู่ตรงไหนไม่ต้องไปขีดแผนที่อะไรเพราะรู้กันอยู่แล้วพอพูดปั๊บในภาพมันก็เกิดเพราะงั้นพูดเฉพาะเรื่องที่เกิด น้ำท่วมหน้ารามเราก็พูดเฉพาะเรื่องน้าท่วมพูดสนามหลวงมีอะไรก็พูดเฉพาะเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสนามหลวงไม่ต้องไปนั่งเขียนแผนที่คนกรุงเทพดูสนามหลวงมันอยู่ตรงนั้นเลี้ยวจากตรงนั้นบริเวณ น, นั้นมีอย่างนั้นอย่างนั้นเขาพูดครับไปที่อื่นมันก็พูดได้นะฮะกับคนที่เขาไม่เคยมากรุงเทพแต่คนในกรุงเทพเขาไม่พูดกันเพราก็รู้กันอยู่แล้วดังนั้นสถานตั้งสถานที่ตั้งวิมานจึงไม่รู้แต่ว่า เป็นการแสดงให้เห็นว่าวิมานเหล่านี้นั้นอยู่ในโลกอื่นเพราะท่านบอกว่ามันไกลเลยเกินนะไกลจากโลกมนุษย์เหลือเกินไกลมากแต่ว่าเป็นการไปด้วยจิตอย่าลืมวาการไปด้วยจิตไม่ได้ไปด้วยญาณการจุติปฏิสนธินั้นเป็นการไปโดยจิตไม่ถูกขั้นโดยกาลเทศะซึ่งแนวเหล่านี้อย่างที่คนซึ่งตายไปแล้วเขาฟื้นนะฮะอย่างในไม่ใช่ไม่จากฟื้นแต่ <laughs> คือเกิดใหม่แล้วเลืกชาติได้อย่างที่นายจุกแกเล่าเนี่นายจุกธีราบรีเล่าเนี่ก็แนวเดียวกันหมด คือมันพอกําหนดว่าจะไปมันถึงกําหนดว่าจะไปไม่ว่าไกลเลียบๆ ย, ยังไงมันก็ถึงทันทีเลยนี่มันก็รูปในอะไรล่ะถ้าเราเรียกภาษาง่ายๆว่าสัมภเวสีคือตอนนั้นก็ยังไม่เกิดหรอกแต่ว่าเตที่จริงก็เป็นอักที่สมานกายพวกหนึ่งนะแกเที่ยวไปใหญ่เป็นเด็กะตายไปแล้วก็ไม่ว่าไกลยังไงพอนึกว่าจะไปนะก็ไปแล้วก็แนวนี้มันก็สอดคล้องกับที่บาทหลวงคนหนึ่งของของคริสนะฮะ ของคริที่ตอนสมัยท่านมีชีวิตอยู่แล้วท่านเขียนเรื่องนรกสวรรค์ไว้หยดย้อยตามแนวของคริแต่พอท่านตายไปจริงท่านเกิดโอ้ไม่ใช่อ่ะไม่ใช่เหมือนที่ท่านเขียนเอาไว้ท่านก็กลัวเป็นบาปเพราะคนจะไปเชื่อข่าวท่านก็เข้ามาเป็นลักษณะสิงนะฮะลักษณะสิงเหมือนอะไรละ่ะเหมือนหนังสืออะไรที่ที่เขาเขียนจริงเรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงนะฮะ เรื่องนายคนหนึ่งที่ถูกระเบิดที่อะไรวัดราช บ, บูรณะสมัยสงครามญี่ปุ่นนะครแล้วแล้วท่านเองนั้นไม่ตายไม่ตายพอดีร่างท่านแหลกมันเข้าไม่ได้ถ้าไปเข้าในร่างของคนขอทานคนหนึ่งต่อมาไอ้คนขอทานนั้นตายแล้วไปเข้าในร่างใครละ่ะไปเข้าในร่างพระที่แถวส ม, มุทรปราการนะฮะเจ้าอาจารย์อิน อ, องหนึ่งอาจารย์อินนั้นตายพอดีแล้วต่อมาอาจารย์อินก็ตายอีกแล้วไปเข้าในร่างใครทางภาคเหนือนะในในเผ่าคนป่า มันปาต่อต่อมาคนนั้นถูกยิงตายอีกไปไปเข้าอย่างไรมันตายเรื่อยเลยแล้วก็ต่อมาก็มาเข้าในร่างเนี่ยหาร่างผู้ชายไม่ได้ไปเข้าอยู่ในร่างผู้หญิงตั้งนานนะเข้าในร่างผู้หญิงแล้วต่อมาก็ออกจากร่างผู้หญิงนี่มาอยู่ในร่างหนึ่งแล้วก็มาเขียนบันทึกประวัติตัวเองไว้เนระื่อชื่ออะไรนะ่ลืมไปแล้วเอ่อเป็นคนเป็นคนมีชื่อเสียงมากนะคนนี้ก็คือคืออาศัยร่างอื่นเป็นเป็นที่เขียนเล่า ท่านผู้นี้ก็อาศัยร่างอื่นมาเขียนบันทึกไว้ในไดอารี่แล้วก็มีคนคนหนึ่งเขียนบรรยายต่ อ, อมานี่เขียนอยู่นานนะฮะหลายปีรู้สึกว่าเล่มมาเริ่มมาสองเล่มเลยเท่าไหร่เนี่ยนี่ก็แนวเดียวกันมันเป็นการไปโดยไม่รู้ว่ามั น, ม, นมันห่างจากโลกเท่าไหร่หรอกแต่มันไปอยู่สถ า, านที่หนึ่งแล้วท่านเราตอนนี้ก็เข้ามาเขียนต่อมาที่เขาแปลในเมืองไทยว่าโรคชิปนะฮะโรคชิปก็ออกจะแพร่หลายรู้สึกว่าที่อะไร ที่น่าวัดกด็ดูได้จะมีนะโดยเฉพาะเล่มแรกนะฮะเพราะว่าเล่มต่อไปนี่ท่านให้รายละเอียดให้รายละเอียดถึงสถานที่อยู่เหล่านั้นซึ่งรายละเอียดแนวนั้นของเราเราไม่ได้พูดไปเราไม่พูดเพราะว่ามันไปถึงมันก็เห็นเองนะฮะส่วนเล่มแรกแล้วแสดงในแนวเดียวกันทั้งหมดเลยจึงก็หมายความว่าการมีสวรรค์วิมานเป็นเรื่องที่มีอยู่จริงๆแต่ว่าไอ <c oughs> วิมานเนี่ยสมัยพุทธกาลก็มีที่เป็นเหตุให้พระพุทธเจ้าห้ามพระเราไม่ให้ตัดต้นไม้เนี่ยฮรก็เกิดจากพระไปทำราวิมาลุกเทพเข้าลุกเทวดาก็ไปฟ้องพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ประทานต้นไม้ซึ่งเทวดาองค์หนึ่งจุติพอดีก็ให้อยู่ข้างหลังพระขันติกุติ <c oughs> <c oughs> นี่ก็ลุกเทวดานั้นก็มีมีเรื่อง เดี๋จะยาวนะฮะแต่ว่าจะสรุปเฉพาะประเด็นนี้เท่านคือรวงพ่อปานซึ่งไปบุรณะพระธาตุเมื่อ <c oughs> สมัยต้นรัชกาลที่ห้านะฮะมีเป็นรูปชีประขาวมาบอกให้ท่านไปให้เดินไปจากวัดนียวัดราชบัวนะเนี่เดี๋ยวนี้คนรุ่นเก่าท่านล่าให้ฟังนะเอามาพบท่านตอนนั้นอายุแปดสิบแล้ว ท่านเล่าบอกว่าองค์พระปานนี่ท่านจะเดินไปพันศาสามนั่นเองเป็นพระยังหนุ่ ม, มะเดินไปแล้วก็พอนึกจะพักมันก็มีที่พักเพราะจีบขาบอกว่าท่านจะจัด ก, การช่วยให้ตลอดทางพอออกจากที่พักหันมาดูไม่มีแล้วแต่พอนึกจะพักนึกจะฉันอะไรจะได้หมดตลอดทางจากกรุงเทพถึงนครไม่มีปัญหาเดือดร้อนอะไร <c oughs> แล้วก็มีคราวหนึ่ง มันมีมื อ, มอยื่นออกมานะ <c oughs> จากต้นไม้หรือประเค้นของท่านท่านขอดูตัวท่านบอกว่าอย่าดูเลยดูไม่ได้ดูแล้วจะมีปัญหาท่านเรขอให้ให้ไปตโยมจะตามช่วยอยู่ตลอดอันนี้ก็เป็นการแสดงถึงว่าไอ้รุกขเทศนั้นเป็นของที่มีอยู่ ท, ที่จริงมันก็มีอยู่นะฮะแต่ว่าไม่ได้มีอยู่ทุกคนทุกแห่งแต่นั้นเอง แล้วก็เรื่องราวเหล่านี้บางคราวนั้นท่านไปปรากฏด้วยตัวของท่านเองบางคราวท่านผู้รู้เห็นก็ใช้ทิพยสุดูแต่อย่าลืมว่าถ้าจะดูท่านต้องดูด้วยสมาธินะแล้วก็น้อมไปเพื่อทิพยสุเราจะติดต่อได้ทั้งนี้ต้องเราได้เจตุตจารก่อนเป็นอย่างน้อยนะฮะต้องได้เจตุตจารหรือ ถ้าพวกกรรมฐานบางอย่างก็ไปแค่ทุติยชาญจะน้อมไปเพื่อติดต่อกระเทพก็ติดต่อได้เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องงานชั้นหนึ่งเป็นสาขาวิชาสาขาหนึ่งแล้วก็เครื่องไม้เครื่องมืออีกสายหนึ่งซึ่งไม่มีอยู่ในหลักของวิทยาศาสตร์อะไรที่เราศึกษาในปัจจุบันแต่ก็เป็นผลิตผลของธรรมชาติที่เกิดขึ้นด้วยบุญ <c oughs> ที่บุคคลเหล่านั้นได้กระทําไว้ในสมัยที่ท่านยังเป็นมนุษย์แต่ข้อสาคัญว่าในการทําบุญนั้นไม่ใช่ทาบุญอยากได้วิมารทึ้งเราสังเกตดูว่าทุกองคนั้นไม่ได้ทําบุญเพราะอยากได้วิมานแต่ว่าใจท่านปรารถนาที่จะทําก็เห็นเ่อการกระทําเหล่านั้นเป็นความดีคนนั้นวัตถุนั้นเรื่องราวเหล่านั้นควรแก่การจะทาเรื่อมายท่านก็กระทําบุญออกไปบุญจึงมีทั้งในชั้นของทานชั้งในท่านของศีลทั้งในชั้นของ การภาวนาคือการทำธรรมะให้มีให้เป็นขึ้นภายในจิตใจจนถึงทําใจให้เลื่อมใส <c oughs> ทําใจใเลื่อมใสแต่วันนี้มันก่อนจะดับจิตนะท่านจะเห็นว่าตัวการทำการจริงๆมันต้องก่อนจะดับจิตเพราะไม่ว่าทําใจให้เลื่อมใสตั้งแต่หลายปีมาแล้วแล้วก็มาตายนั่นจะตามมาช่วยก็ไม่แน่แนวทําใจให้เลื่อมใสเกิดขึ้นก่อนดับจิตถ้าที่สังเกตมาจะมีลักษณะอย่างนั้นทุกองค์เลยแล้ว ใจข อ, ของตนก็จะผ่องใสเมื่อใจผ่องใสก็บังเกิดในสุกตินี่ก็ตามแนวอะไรนะฮะตามแนวกรรมารมกรรมนิมิตตารมณินิมิตตารมที่สุดซึ่งทานาธิบายไว้มันจะลงตัวกันหมดเลยทุกเรื่องทั้งส่วนบุญและส่วนบาปนี่ก็เป็นการนําเที่ยววิมานนะฮะแต่ส่วนสถานที่วิมานนั้นคือคือท่านพูดแต่สวยๆงามๆวิจิตพิสดารอย่างนั้นก็ไม่ต้องพูดหรอกเพราะตัวเหตุสําคัญก็อยู่ที่ที่เรื่องบุญเรื่องกุศลนี่ก็ เป็นการนำเที่ยววิมานฮะต่อไปต้องนำเที่ยวเปรตใหม่สลับสลับกันไปถ้าพูดถึงเรื่องเปรตอย่างเดียวมันก็เสียวพูดถึงริมานอย่างเดียวมประมาทมันจะเพลินก็พูดเรื่องเปรตไ้ด้วยเพราะว่าเราอย่าลืมมาการหักของจิตนี่ยพระพุทธเจ้าแสดงว่าจิตเศร้าหมองก็หวังได้ไปทุกขติแต่จิตพองแผ้วก็หวังได้สุ ก, กติแล้วเราจะรู้ได้อย่างไงว่าเราดับด้วยจิตอะไรถึงแม้จะทําบุญทำกุศลมาแต่ว่าแหม่ไป โกรธจังเลยก่อนจะตายเนี่ยดับจิตด้วยความโกรธมันก็แย่แล้วตอนดับด้วยความโกรธมันก็แย่เพราะงั้น <c oughs> เรื่องนี้จึงต้องศึกษาทั้งสองด้านนะฮะทั้งด้านกุศลและทั้งด้านอากุศลอันนี้เป็นผลที่เป็นรูปธรรม ท, ที่จริงเราพูดถึงกุศลกับอกุศลเรื่องเปรตเราก็พูดถึงอกุศลนี้เราก็พูดถึงกุศลแต่พูดโดยอาศัยรูปธรรม ท, ที่ได้รับผลของกุศลและอกุศลมาแล้วก็ออกมาในรูปของวิมานกับเปรต ำหรมับวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ก็ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี